าการนมัสการพระกศุศาคะคือคือการปฏิบัติที่ารสารใน มีข้อเสียอะไรแล้วก็การทำให้เป็นจังหวะมีข้อดีองไรแล้วก็ปัญหาของโยมในการปฏิบัติก็คือว่ามันจะง่วงนอนแล้วก็โยมก็คิดว่าทำให้เร็วขึ้นแล้วมันจะหายง่วงแต่ว่ามันก็ยังน่วงอยู่ดี พ, พอทำไปพอทาไปนี่มันจะรู้สึก จับความรู้สึกได้ไม่ชัดมันจะมันจะเบลมีมีความรู้สึกว่ามันมันไม่รู้สึกในในการยกแล้วมันก็นงว่วงนอนแล้วก็คุค่ะสามข้อนะ <c oughs> <c oughs> เอาตอบข้อสองก่อน เอาใน ว, ว่าข้อดีของการทําเป็นจังหวะคือเน้นเพื่อให้มันรู้เป็นครั้งเดียวความรู้สึกตัวหรือตัวสติเนี่ยคือมันรู้คล้ายๆเหมือนจุดไข่ปลาที่มันจุดจุดจุดจุดหลวงพรเรียนน่าจะรู้เน้นให้รู้เป็นเป็นขนะเป็นขนาดเลยนะบางทีท่านก็เปลี่ยนเทียบเป็นเหมือนโซ่ที่มันเป็นปอกเป็นปอกที่มันต่อกัน ไม่ให้รู้เป็นแบบแตัดเส้นยาวเหมือนถ้าเรายกมือแบบนี้เนาะบางทีเราจะคิดภาพเหมือนมันจะต่อไปเรื่อยแต่จริงมันรู้จบในขณะที่รู้หนึบขนาดนั้นรู้จบทีละขณนาดเลยมันจะทําให้ความรู้สึกตัวมันชัดแบบครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้ ง, เ, งเหมือนคําพูดทีละคําทีละคำทีละคํา ต้องต้องการจะเน้นให้มันเกิดความรู้สึกตัวที่มันชัดเจนแบบนี้เวลาเรายกมือสร้างจังหวะนะส่วนถ้าเราทำเร็วเกินไปบางทีมันจะเป็นมันจะรู้แบบไม่รู้ว่าความรู้สึกตัวมันมันไม่ได้เป็นจังหวะเพราะมันมันจะต่อไปเลยมันจะต่อไปเลยแล้วมันมันจะมั่วๆสักหน่อยอันนี้คือข้อก็อาจจะเป็นข้อ ข้อด้อยของการถ้าเราทําเร็วเกินไปบางทีมันก็เพลินเพลิ น, นหรือว่าก็ทําให้รู้สึกตัวไม่ชัดส่วนถ้าเราม่วงนะเราเอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นก็ได้แต่เพียงว่าเร็วให้มันเป็นจังหวะสักหน่อยแล้วก็แบบทําให้มันแรงๆสักหน่อยนะแต่บางทีอย่างที่บอกว่าบางทีเรายกทงสูงเราเพิ่มเราเอาจะเพิ่มความรู้สึกตัวกับการหายใจเข้าไปในเช่นจังหวะที่ยกเข้า ออกนะมันก็จะเพิ่มให้ออกซิเจนในในร่างกายของเรามากขึ้นความม่วงก็ลดลงของมันเองแต่สิ่งสําคัญคือการวางใจให้เรียกว่าคือจะไปไม่พอใจหรือว่าไปนั่เกลียดกับความม่วงนะมองว่าความม่วงมันก็เป็นแค่อาการอย่างหนึ่งถ้าเราเติมความรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นนะเออมันก็จะรู้สึกตัวได้ได้มากขึ้นแม้ในมีความม่วงอยู่ นะค่ะค่งยอมผอผอจะเข้าใจะแล้วก like an ็ดูมยมเคยอ่านอาจารย์บางท่านจะจะพูดว่าให้เพิ่มความตั้งใจก่อนก่อนจะเปลี่ยนการทำอะไรประมาณนี้ค่ะคืออยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ค่ะอือค บางทีอย่างความเคยชินนะความเคยชินเช่นเราอยากจะลุกก็ลุกทันทีอยากจะนั่งก็นั่งทันทีอยากจะพูดก็พูดทันทีอันนี้คือเรียกว่ามันถูกการกระตุ้นด้วยความอยากหรือทำด้วยความเป็นแบบสัญชาตญาณอันนั้นครูบาอาจารย์เวลาแบเบวาจะเปลี่ยนทิศทางทหรือจะทำอะไรให้เราเรียกว่ารู้ตัวก่อนก่อนที่จะทำ ถ้าสองข้อเข็มทีท่านก็เอาให้ง่ายนะแบบแต่ง่ายอาจจะฝืนนิดนึงเช่นเวลามันนั่งมันปวดมันเมื่อยนะมันปวดมันเมื่อยมันอยากจะลุกนะอะเอาไว้ก่อนครั้งที่หนึ่งอ่านั่งไปปวดเมื่อยอยากจะลุกอ่ะครั้งที่สองเอาไว้ก่อนดูไปพอครั้งที่สามนะมันปวดมันเมื่อยพอสมควรครั้งที่สามมันขอค่อยเปลี่ยนมัน เราเดินเหมือนกันเดินตรงกรมปวดเมื่อยข้างที่หนึ่งอ่ะเอาไว้ก่อนอันน้ข้างที่สองไว้ก่อนข้างที่สามเคยเปลี่ยนอันนี้เป็นแค่อุบายนะแต่ที่จริงก็คือว่าเราไม่ทําตามมันแบบพอมันอยากจะนั่งก็นั่งทันทีพออยากจะลุกก็ลุกทันทีบางทีมันจะเป็นความทําตามความเคยชินหรือทําตามความอยากแต่ถ้าเราดูมันก่อนเท่าพักหนึ่งมันจะดูว่าไอ้ที่มันอยากลุกเนี่ย เพราะกายมันจะเป็นหรือว่าเพราะใจมันอยากเราก็จะเห็นชัดว่าอไอความรู้สึกขนาดนั้นมันเป็นความรู้สึกเพราะว่ากิเลสเขาหลอกเราหรือว่าเรามีสติเข้าไปรู้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนที่เยาะบทตามที่สติเขาเขาเขาพาเปลี่ยนค่ะครับขอบพระคุณค่ะก็้าหมายถึงว่าให้พิจารณาเหตุผลก่อน ที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระมาณนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเหตุผลโยงเพราะว่าพูดจริงๆมิงบาีเหตุผลนะ่ะมันเข้าข้างได้คือกิเลสมันก็มีเหตุผลของมันนะแบบอืกลัวเช่นนั่งนานๆเป็นเหน็บเป็นตะคิวแล้วกลัวว่ามันจะเป็นมากกว่าเก่าแล้วนะห่วงแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นนั่นไม่ใช่การใช้เหตุผลในเชิงตักตก แต่ที่ว่าย้ำไว้ก่อนเนี่ยคือดูว่าเอที่จริงนะมันทนไม่ไหวหรือว่าใจมันอยากเปลี่ยนใช่ไหมบางทีมันนั่งต่อได้เนาะแต่ใจมันอยากจะลุกอะมันก็จะเห็นว่าอที่มันอยากจะลุกเนะี่ยคือใจมันอยากจะลุกแต่จริงมันไม่พอทนได้เราก็จะเห็นตรงเนี้ยไม่ใช่การพิจารณาจะเป็นการทําให้เราเห็นชัดว่าไอ้ทิมไม่ไหวจริงๆคือใจหรือว่ากายค่ะขอบคุณ ยี่ใคร ใหม่ก็ได้นะคนเก่าก็ได้นะใหม้มันทีมันเราเคยปฏิบัติในรูปแบบอื่นหรือบางทีเราเพิ่งมาปฏิบัติในรูปแบบนี้บางทีก็อาจจะสับสนนะสับสนนะอุ่แดงข <c oughs> ึ้นถามพระอาจารย์ครับคือมีมีบางท่าน กล่าวว่าคือขณะที่เร า, า, ากำลังปฏิบัติอยู่เป็นจังหวะจังหวะเนี่ยไม่ใช่ให้รู้สึกแต่ให้เห็นความรู้สึกขอคำอธิบายครั้งหนึ่ <c oughs> เรารู้สึกดีกว่าอย่าไปเห็นความรู้สึกมันจะไปเห็นซ้อนเห็นอย่างเวลาเรารู้เราอย่างจะไปดูตัวรู้อีกทีมันจะซ้อนไปเรื่อยมันจะไม่จบใช่ไม่ันเท่าถ้าเรารู้สึกเราไปเห็นด้วยความรู้สึก มันก็จะไปเห็นในความรู้สึกต่อไปเลยมันจะไม่จบแค่รู้สึกก็พอละมีท่านใดรับ นีก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนได้ห <c oughs> นักก็ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติร่วมกันไปนะให้คือให้สังเกตนะแต่สังเกตเนี่ยไม่ใช่การไม่ใช่การใช้ความคิดนะแต่สังเกตดูว่าเช่นทำแบบนี้มันเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นใช่ไหมเช่นบางครั้ง บางทีพน ใ, ใหม่ๆาจะลองดูเช่นมันคนทาทำเร็วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นบานทีทำช้ารู้สึกอย่างไรมันมันจะทำให้เราได้พอจเจ้อแบบนี้พอดออีแบบนี้เร็วไปตลับตัวเองนะนะแบบนี้แบบนี้ช้าไปนะหรือแม้แต่บางขณะบางขณะมันง่วงเ อ, อ๊ะพอทำแบบนี้แนละ้วมันตื่นตัวดีขึ้นลนะ มันเหมือนเราขับโรถบางทีมีมีเปลี่ยนที่มีจังหวะเร่งจังหวะเบรคมันอาจจะมันจะคล้ายๆทําให้เรารู้จักปรับพัฒนาการแบบนี้ทําแบบนี้พอดีนะมันจะเข้าใจเราจะหาจังหวะที่พอดีกับตัวเองได้แต่บางครั้งที่มันต้องแก้อารมณ์คำว่าแก้อารมณ์หมายควมว่าบางครั้งมันมันง่วงเราก็ทําแรงขึ้นทำเร็วขึ้น หรืบางครั้งมันบางครั้งมันฟุ้งซ่านมากบางทีวางไว้ก่อนไม่ต้องรีบเจ็บเนื้อวางมาจับขาให้มันรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนตั้งหลักใหม่เนี่ยตั้งหลักใหม่แบบนี้ี่ยหรือบางครั้งมันเบอเบอร์ทำไปเบอเบอร์ล้วก็เหมือะวางไว้ก่อนมาเริ่มต้นใหม่ไปเลยเนะี่ย ไม่ต้องรีบยกมือให้มันได้จํานวนรอกจํานวนท่าอะรเนี้ยนะวางไว้ก่อนตั้งใจใหม่ไว้ก่อนเนะี้ยคือเราลองสังเกตหรือว่าทําแบบนี้มันมันเป็นแบบไหนทำไมนี่เป็นแบบไหนมันเหมือนมันทาให้เราเกิดความเข้าใจในจังหวะของตัวเราเองนะไม่ใช่ว่าทำเลียนแบบทำเลีนแบบพระอาจารย์หรือทำเลียนแบบคนเ ก, ก่า บางทีการทำเดินแบบมันอาจจะคัดลอในถูกท่าแต่ใจเราอาจจะไม่เป็นอย่างที่ท่านทำก็ได้อย่างหพอเทียนเวลาท่านทำค่อนข้างจะเตะ น, นะแบบยกค่อนข้างแบบแบบนะี้แต่ท่านรู้สึกตัวตื่นดีแต่บางคนทำกับท่านแบบนี้บางทีอาจจะเครียดอาจจะตึงก็ได้นะบางคนนะ อย่างหลวพ่อตรเขียนบางทีท่านทําแบบมืออ่อนๆนะมือไม่ตึงว่าทําเบาๆทําท่านก็ดูเหมือนท่นแต่บางคนทํา แ, ทแบบท่านแล้วอาจจะฟุ้งมากก็ได้เพราะมันเบาเดินไปเนียคือบางทีครูบาอาจารย์ใจท่านตรงใจท่านถูกเหมือนกันนะแต่รูปแบบข้างนอกที่เราเห็นนะ่ะไม่เหมือนกันเราเองก็ต้องดูบางทีจะดของเราจะมาทําแบบนี้พอดี ไม่เคียดสบา ย, บายเออสำหับบางคนแบบนี้เนี่ยสหับั บ, บางคนทำงบนี้แ้มันฟุ้มเกินไปต้องตั้งใจสักนหน่อยนะ อ, อ่พอดีไม่เหมือนกันนะเราเองก็ต้องดูแต่เองในจังหวะที่ปกติของเราทำแบบไหนพอดีหรือในจังหวะที่เรียกว่าเป็นอุบายเพื่อแก่นะบางทีเรามีการเปลี่ยนจังหวะให้เป็นอุบายในกะารแก้ นั่นคือมันก็เราจะรู้เทคนิคในการที่เรียปฏิบัติวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมันมันจะไม่ติดรูปแบบมากเราอาศัยรูปแบบเพื่อสร้างสติแต่บางทีเราก็อาศัยอีกยิบัอื่นเพื่อช่วยให้มันเพิ่มสติได้อย่างที่เราทิ้ง่วงมากกัวโจกสูงสูงหายใจไปด้วยแบบนั้นบางทีเราก็ทํามันทำให้มันแรงขึ้นให้มันปลุกสติเร็ไปด้วย หนูบางทีเราก็ทำท่าอื่นเวลาโม่มมงมากก็เอียงซ้ายเอียงขวาให้มันมีสติเข้าไปไนะหนูบางทีขณะที่เดินอะมันฟุ้งมากปกติก็เดินแค่รู้สึกธรรมด า, าบางครั้งเราก็กำมือมือเราอาจจะหยาบไปนะรมเพิ่มสติเข้าไปในในช่องว่างขณะที่มันก้าวเพิ่มเข้าไป จิตก็จะดูถึงการเดินบ้างสำหรับการกำเนือบ้างความคิดก็จะเข้ามาแทรกเป่น้อยลงแต่เราไม่ใช่วา่าจะทําให้มันแบบเอาเยอะๆเพื่อจะได้ไม่ให้ความคิดแทรกนะไม่ใช่นะคือช่วงไหนที่ความคิดมันมันหนักนเราเอาคนนียม า, มาเพิ่มกําลังเข้าไปแต่ไม่ใช่ทําเพื่อว่าจะได้ไม่ให้ความคิดเข้าแทรกเข้ามาเลยมันจะกลายเป็นการไปบังคับเกินไปไปคล้ายๆไปอืม กดข่มความคิดมากเินไปนัอันนี้คืออุบายซึ่งก็แนะนำไว้นะแล้วเราก็ต้องลองดูนะลองดูก็เอาจากเคล็ดับที่เราลองลองทำไอ้พวกนะี้เราจะได้เีกว่าได้เทคนิคด้วยตัวของเราเองนี่เป็นเพียงแค่เทคนิคแต่ตัวการวางใจเนะี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการวางใจที่ทำโดยที่ไม่ว่า ไม่ได้ทำเพื่อไปห้ามความคิดไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบแค่ตักสำกั น, นจริงๆคือแค่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็แค่รู้นะคิดเกิดขึ้นก็แค่รู้สงบเกิดขึ้นก็แค่รู้นะไม่ใช่ไปเอาสงบไม่เอาความภูมิใจนะ แม้แต่เราที่พยายามให้มันมีสติมากขึ้นก็ไม่ใช่เพราะว่าเราเราไม่ชอบความความคิดหรือไม่ชอบความง่วงนะแต่เพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะคล้ายๆมนคือจิตมันถูกความคิดมันดึงไปนะการที้เราเพิ่มสติเข้าไปเหมนให้มันดูแต่จากความคิดนะอ่ะดออบน้เหมือนพ้นออกมาจากน้ำนะเราจมไปนในความคิดเหนะมือนคนจมน้ำทำไงให้เราโผล่ขึ้นมาบนน้ำานะ่ะ คือการมีสติขึ้นมาโผล่ขึ้นมาต่อลงหายใจเข้าไปเงือกหนึ่งจมไปใหม่ก็โผล่ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเกลี่ยความคิดนะแต่คือทำไงให้จิตมันฟื้นมาจากความคิดเห็นว่าไอ้ที่มันเมื่อกี้ความคิดมันข้องงำรื้อตรงน้ารื้อตรงนางออ น, าออ น, านะ่นี่คือหลักสําคัญ น, นะนะหลักสําคัญในการวางใจถ้าเราวางใจตรงนี้ได้มัน การปฏิบัติก็จะไม่ยากนะเพราะมันมีแต่สภาวะที่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรืนะ่อยๆดูไปก็มันจะแยกได้ว่าให้ตัวดูก็ตัวนะึงอาการที่มันสแสดงขึ้นมาเนะี่ยมันก็อันหนะึ่งเหมือนเราดูทนะีวีอ่ะตอนนั่งดูทนะีวีอันหนึ่ยอาการต่างๆที่สแสดงในทนะีวีเนี่ยก็อันนะึงนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตัวดีสแสดงเดี๋ยวก็ตัวไายสแสดง เราดูข่าวเดี๋ยวก็ข่าวดีขึ้นมาเดี๋ยวก็ข่าวไม่ดีขึ้นมามันก็เปลี่ยนเดิม น, นะแต่อันนั้นคืออาการที่มันเปลี่ยนให้เราเห็นแต่ตัวดูเนี่ยตัวเดียวแต่ไม่ใช่ปไปประคองตัวดูไว้ตลอดเวลานะไม่ใช่ดูจบดูจบทีละขณะตัวดูไม่ใช่เหมือนคนที่นั่งตลอ ด, ดนเวลาอนีะที่จริงแค่แค่เป็นสมมุติให้เห็นเป็นแบบนั้นแต่จริงมันมันก็ดู ก็จบในขณะหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าตัวสติเองมันก็เป็นอนัตตาสติเองก็เป็นอนิจจังนะสติเองมันก็คือจิตจิตที่มีสติก็คือหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปจิตที่มี ส, สติใหม่ก็หนึ่งขณะก็ดับไปนะเราเราไม่ไปประคองตัวดูตัวนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่ใช่เรียกว่ายังไม่ใช่ ถ้าภาวะเอาที่เราจะไปดูตัวดูอีกทีหนึ่งนะจะเพิ่งไปดูเอาตัวดูตอนนี้ไปดูอาการก่อนจะเพิ่งไปดูตัวดูตัวนี้อีกทีหนึ่งมันจะสับสนมากมันยังไม่ใช่ เ, เรียกว่ า, าในขั้นตอนที่เราจะไปดูตัวนี้ต่อสร้างตัวนี้ก่อนเพื่อไปให้ไปดูอาการที่แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนให้เราเห็นไปเรื่อยๆก่อนจนถึ้ จิตมันถึงจะย้อนเข้ามาดูไอ้ตัวจิตนี่อีกทีหนึ่งมันถึจะเห็นจิตตัวเนี้ยแม้แต่ตัวดูเนี่ยที่เรายึดถือมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ที่ยงมันก็ไม่ใช่เรามันถึงจะเรียกว่าไม่ยึดในตัวนี้อีกทีหนึ่งแต่ยังไม่ใช่สภาวะที่เราจะไปทํางานมันในตอนนี้นะพเพราะไม่งั้นมันมันจ ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้จริงๆน้อก็ฝากไว้ เดี๋ยวมีเวลาสักิบนาทีแล้ปฏิบัติ่วกันอ่ะคนแดงคือที่ท่านบอกว่าเวลาท่านรู้สึกอยากเป็นผู้พ่อผนาานเรียกความตัวกลับมาาแต่เวลาที่โยแต่ว่า